ตัวจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัตนช้าในชุดนวัตกรรมแห่งการปกครองโดยพระท่านสมณพภทธิรัก์เมื่อวันที่ส2สองสิงหาคม2546ที่พุทธสถานสีมาอาโศกขอเชิญท่านจิตตารฟังได้นะบัดนี้ คือการประชุมคราวนี้ว่านวัตรกรรมแห่งการปกครองอนตรมา ก, ก็คิดว่าดีที่จะเทศในเรื่องคำว่านวัตรกรรมแห่งการปกครองเนี่ยรู้สึกชื่อดีมากทีเดียวในหมู่ชน ในหมู่คนเนี่ยมันเป็นกลุ่มเป็นหมู่เข้าก็ต้องมีการดูแลกันดูแลปกครองหรือคุ้มครองผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่จะดูแลปกครองหรือว่าให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่อย่างจะต้องอยู่ในการดูแล ช่วยเหลือได้รับการช่วยเหลือได้รับการฝึกหัดเรียนรู้เพื่อที่จะเจริญเพื่อที่จะอยู่ดีเพื่อที่จะไ ด, เด้เป็นคนดีคนสร้างสรรค์เกิดคุณค่าเกิดประโยชน์อะไรขึ้นไปเรื่อยๆนะก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์มนุษย์มีปัญญานะมนุษย์มีความรู้ในเรื่องนี้ แล้วมันก็ต้องทำกันต้องเป็นไปตามธรรมชาติทีนี้นอกจากธรรมชาติแล้วมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นก็จัดระเบียบจัดระเบียบระบบจัดลาดับจัดสรรหลักเกณฑ์หลักการวิธีการหรือรายละเอียดอะไรต่างๆนาน า, นาก็จัดสรรเข้านำมาใช้นามาตั้งมาบัญญัติมาเรียบเรียง เป็นหลักวิธีในการเป็นอยู่ในการสอนการแนะให้ศึกษาเรียนรู้สืบทอดกันต่อไปก็มีเรื่องรัฐศาสตร์หรือเรื่องการบริหารปกครองดูแลอะไรกันขึ้นก็เป็นธรรมดาธรรมชาติของมนุษย์มีมาคำว่านวัตกรรมในที่นี้ที่หยิบขึ้นมาใช้เนี่ย นวัตกรรมหมายความว่าสิ่งใหม่หรือมีอะไรใหม่ๆขึ้นมานวัตกรรม innovation มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นที่ว่าใหม่นะก็คือมีแปลกไปจากเดิมหรือไม่เคยมีมาแต่เก่าแต่ก่อนไม่เคยมีมาแต่ไหนๆสิ่งนี้เป็นสิ่งใหม่ที่ แปลกเกิดมาแปลกแปลกเกิดมาไม่เหมือนเขาแต่ก่อนแต่ไรไม่เคยมีแต่มีสิ่งนี้ขึ้นมาได้เพราะมนุษย์คิดขึ้นมนุษย์ทำขึ้นคิดขึ้นทำขึ้นมีสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมาใหม่นี่คือนวัตกรรมที่นี่แห่งการปกครอง ก็คือรัฐศาสตร์ใหม่รัฐศาสตร์ใหม่เป็นความรู้ของกลุ่มคนแล้วก็มีวิธีการที่จะบริหารหรือจะดูแลคุ้มครองดูแลหรือปกครองใช้เต็มๆว่าปกครองนั่นแหละมีวิธีการใหม่ๆสาหรับชาวอาโศกเราเนี่ยแน่ชัด มีวิธีการใหม่ๆดูแลบริหารปกครองคุ้มครองกันต่ า, ตาง ก, กันกับที่เขาเคยเป็นเคยมีมาซึ่งหลักบริหารปกครองหรือหลักของสังคมรัฐศาสตร์เขามีม า, าตั้งแต่ระเด็จการสมุรณาญาสิทธิราชมีเจ้า มีผู้ที่เป็นใหญ่ในประเทศมีสิทธิขาดสมุรณาญาสิทธิราชมีสิทธิขาดเด็ดขาดแต่ผู้เดียวทุกอย่างเป็นสมบัติของท่านหมดคนก็เป็นสมบัติของท่านมีสิทธิขาดในทุกอย่างในโลกในแผ่นดินในที่ท่านจะแผ่อาณาบริเวณหรือว่าจะ สามารถคุ้มครองเอาอาณานิคมอะไรไปได้แค่ไหนเด็ดขาดหมดสมัยโบราณนะก็เป็นกันมาแต่ดั้งแต่เดิมก็ถือว่าเป็นประเด็จการรุ่นที่หนึ่งเลยนะ <c oughs> เผด็จการรุ่นที่หนึ่งก็เป็นใหญ่ในตัวเองแต่ผู้เดียวทุกอย่างก็มีสิทธิ์ขาดหมดใครจะมา ช่วยยังไงก็แต่งตังเอาเองแต่งตังผู้มาช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ผู้นั่นจะให้เป็นอมาต ร, ระดับนั่นจะให้เป็นอะไรอะไรต่างก็ตังกันมาแล้วก็มีหน้าที่บัญญัติหน้าที่กันดูแลควบคุมช่วยเหลือทำงานกันบริหารปกครองกันไปซึ่งการกระทำอย่างนั้นก็ผ่านกันผ่านความรู้ของคนคนก็รู้ว่ารู้สึกว่ามัน ถ้าทําคนเดียวเนี่ยมันผิดพลาดได้ไง่ายความเห็นความรู้คนเดียวมันไม่มีใครช่วยคิดช่วยกรองช่วยออกเสียงช่วยอะไรนักมันไม่เคยไม่คดิดดีมันผิดพลาดได้บกพร่องได้ก็รู้กันการเข้าก็หาผู้ที่จะช่วยกันคิดช่วยกันอะไรรวบรวมกันแม้เป็นผู้ใหญ่เองเป็นผู้ที่เป็นกษัตริย์หรือเป็นเจ้าจอมเมืองเป็นเจ้าของใหญ่ ก็เข้าใจเรื่องนี้อยู่ขึ้นมาก็คิดว่าคนอื่นช่วยคิดช่วยทำมันดีก็ค่อยๆขยายขยายให้คนอื่นเขาช่วยคิดช่วยทำช่วยออกความเห็นช่วยทำงานแทนช่วยอะไรกันขึ้นมาก็เป็นพฤติกรรมที่คนเราเข้าใจเพราะการเฉลีย่ยความความความช่วยเหลือการแบ่งเบาก็เกิดขึ้นก็เป็นการบริหารปกครองที่ค่อยๆขยายจาก อำนาจแต่ผู้เดียวก็พึ่งพาอาศัยกันขยายขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นการบริหารปกครองที่เป็นสภาเป็นกลุ่มหมู่เป็นโคผู้คนอะไรขึ้นมาก็ยังมีลักษณะแต่งตั้งกันอยู่ในต้นตนตอนหลังๆขึ้นมาก็เลยคิดว่าอยากไปให้ประเด็ดการเลยให้เป็นความรู้ความเห็นของคนส่วนใหญ่ของประชาชน ของผู้อื่นจะดีกว่าลักษณะของประชาธิปไตยก็เกิดขึ้ น, นก็เกิดประชาธิปไตยพัฒนาประชาธิปไตยเป็นลำดับลาดับขึ้นมาจากประชาธิปไตยในะระบบสภาแต่ก็ยังสมมุรณาญาสิทธิราชอยู่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งทางสภาหรือว่ากลุ่มหมู่ของ ประชาชนพูดแทนประชาชนตัวที่ช่วยเหลือ อ, ออกเสียงแก่ส่วนรวมมีฤทธิ์มีอำนาจมากขึ้นก็เกิดสภาเกิดประชาธิปไตยที่ใช้อำนาจทางสภาอำนาจประชาชนมากกว่ากษัตริย์มากกว่าผู้เป็นเจ้าขึ้นมาได้เรื่อยๆก็เป็นสภาพจนกระทั่งสุดท้ายลมลางกษัตริย์ ไม่แหกษัตย์เป็นเจ้าใหญ่ในโตก็เกิดขึ้นในบางกลุ่มบางประเทศก็เกิดขึ้ น, น, นก็ตั้งคนนี่แหละขึ้นมาเป็นข้าราชารเป็นผู้บริหารเป็นผู้นำเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกเป็นอะไรขึ้นมากลักษณะรัฐศาสตร์ก็เปลี่ยนแปลงไปไเรื่อย ที่นี้คนมันมีกิเลสขึ้นไปเป็นใหญ่เป็นโตมันก็มีอำนาจสามารถที่จะโลบโมโทสันใช้อำนาจเบงในยศในสัก์ในอำนาจต่า ง, า ง, างๆนานาได้ก็เกิดเป็นการกดขี่กันเป็นการเอาเปรียบเอารัดกันอะไรต่างๆขึ้นมาในสังคมก็มีหลักวิธีเพื่อที่จะปรับปรุงวิธีการต่างๆ ที่จะมาให้เอาเปรียบกันแม้จะมีอำนาจก็ไม่ไมพยายามไม่ให้ใช้อำนาจนั้นเพื่อที่จะไปเอาเปรียบเพื่อที่จะไปขมเหงรังแกใช้อำนาจนั้นทำลายทำลายคนอื่นๆก็มีหลักเกณฑ์วิชาการของรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้นมากมาย อาตมาไม่ได้เรียนรัฐศาสตร์มานี่พูดต่อหน้าผู้ที่เรียนรัฐศาสตร์มานั่งอยู่ที่นี่มีหลายผู้หลายคนจบปริญญาทางรัฐศาสตร์มาอาตมาเนี่ยแม้แต่ศาสตร์วิชาการทางสารศาสตร์ก็ยังทำไม่ได้เลยรู้จากศาสตร์ไหมที่นั่งแล้วก็สารศาสตร์ยังไม่มีเลยวิชาการทางสารศาสตร์เคยเรียนวิธีการจักสาร น่นเป็นนักเรียนมัธยมก็วิธีการจักสารจักต่อก็ไม่เป็นสารอะไรก็สารไม่ไหนเขาสารสานลายขัดลายคุบลายนั่นลายนี่ทําตะแกรงทํากระด้งกระเบียนไม่สําเร็จยังจํำได้ว่าทําตะแกรงกรองกะทิทำตะแกรงกรองกะทิเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เห็นแล้วนะ สมัยโบราณนี่มีตะแกรงกองกะทิมีไม้สองขาเนี่ยแล้วก็มีกรอบได้ขสารไม้ไผ่มาเป็นสารขึ้นมาแล้วก็เอามาใส่กรอบทําไม้ไผ่มาใส่กรอบอัตมาสใส่กรอบไม่ได้สารลายสองธรรมดานี่ลายขัดสองธรรมดาไม่จะเป็นลายสวยลายงามลายพิเศษอะไรก็มีลายไตลายเขาสารเลยมีคนมีหัว มีหัวนี้เขจะสารเก่งสารในลายนั้นลายนี้อัตมาก็หัดลายสองลายคุบมีทำนิดหน่อยลืมหมดแล้วเดี๋ยวนี้ลายสองอยู่คงยังได้อยู่มั้งลายสองมันก็สลับกับไปทีละ เ, เส้นทีละ เ, เส้นเท่านั้นเองอสารเสร็จตอกก็จักไม่เป็นกน็ให้คนอื่นช่วยจักมาเขาจะต้องจักได้แม้และเอียดบางนะากถึงจะดีอ่อนแล้วสารดีๆแล้วก็ได้แผ่นนึงมาแล้วก็มากรอกเขาเก้ากรอก ทำกรอบไม่ไั่เนี่ยเสร็จแล้วฝีมือในการที่จะเอาหวายเหลาหวายโยยามาสำหรับถักถักกรอบรัดให้มันแน่นนีโอเอเ อ, เ อ, เอไม่ไพ่สารนี่ไว้สวยถ้าคนทำดีๆสวยคนทำไม่ดีนี่อย่างอาตมาเนี่ยโอ้โหดูไม่ได้เลยโอ้โหกว่าจะเข้ากรอบได้เกือบตาย มันมันแย่ตรงนั้นโยงตรงนี้กระปูดตรงนั้นกระเป๋าตรงนี้วางบองตรงนั้นแหว่งตรงนี้โบโบเบ๊บไม่เด่รเรนรูปเรืรอรางเลยส่งเอาคะแนนก็เกือบตกทํากระจ่าก็ไม่เป็นกระจ่าแต่ก่อนนี้มีการฝีมือเด็กนักเรียนทําฝีการฝีมือส่งทํากระจ่ากระบวยทําเครื่องใช้ไม้สอยอะไรพวกนี้ส่งได้ แ, แต่ ครูครูคนไหนจะให้ทาเครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะมีมีการฝึกขัดมีการศึกษาในการสร้างสรรค์ทำสวนครัวอาตมาเรียนท่านปฐมชนมัธยมนี่ยังทำสวนครัวมีแปลงผักของแต่ละคนแต่ละคนหรือเป็นกลุ่มบางทีก็เป็นกลุ่มแปลงนี้สมคนห้าคนหรือคนเดียวก็แล้วแต่ ก็ทำแปลงผักขึ้นมาก็ปลูกแล้วก็ให้คะแนนปลูกเสร็จแล้วครู ก, ก็ไปให้คะแนนเดี๋ยวนี้มันมีวิชาที่จะเรียนมากกว่า น, นั้นไม่ดูดำดูดีแล้วจะมาลงแปลงผักจะมาทำการจัดสารทำอะไระอะไรเดี๋ยวนี้เครื่องไม้เครื่องมือก็ใช้ทางวิทยาศาสตร์ทางเทคโนโลยีโอ้สลับซับซ้อนก็เรียนกันเป็นเรื่องเป็ น, ปนแผนกไปเลย แต่ก่อนนี้จะต้องเรียนแบบนั้นเลยเป็นการเรียนพื้นฐานคือมนุษย์เนี่ยแบ่งออกเป็นแบ่งออกเป็นสี่สภาพสี่สี่กลุ่มใหญ่ๆ1นึงกลุ่มนักผลิตสองกลุ่มนักบริการสามกลุ่มนักบริหารสี่กลุ่มนักบวช อาตมาเคยอธิบายแล้วพอเราแต่อธิบายไปอีกอยขยายความให้มันดีขึ้นอีกชัดๆขึ้นอีก <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเรื่องของการปกครองการปกครองก็คือกลุ่มมูมีลักษณะของธรรมชาติเป็นอย่างนั้น ล, ลักษณะของธรรมชาติ4กลุ่มนี่แหละในสังคมมนุษย์กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มนักผลิตเนี่ยทุกคนจะต้องหัดผลิต ทุกคนจะต้องเริ่มหัดผลิตพอหัดผลิตเป็นแล้วก็เป็นนักผลิตได้แล้วก็ถ่ายทอดหรือจับผลิตก็ต้องมีคนช่วยก็เรียกว่านักบริการหรือผู้รับใช้หรือผู้มาเป็นผู้ช่วยเข้ามาช่วยช่วยนักผลิตก็ถ่ายทอดนักผลิตก็เป็นครูหรือนักผลิตก็เป็นผู้ที่ สอนแนะนำวิธีแนะนำการกระทำให้มาเป็นผู้ช่วยมาเป็นผู้บริการหรือมาเป็นนักเรียนมาเป็นลูกศิษย์มาเป็นผู้รับถ่ายทอดไปก็จะเกิดสภาพสร้างสารรค์ขึ้นมาเป็นกลุ่มเป็นหมู่มีผู้รู้มีผู้นำมีครูมีอาจารย์มีผู้ที่เป็นหัวนหน้ามีผู้รองมีผู้ช่วยกัน ตามลาดับเสืบมสารมาเรื่อยๆจากผู้ผลิตก็จะขึ้นไปเป็นผู้บริหารจากผู้ผลิตสามารถเป็นเจ้าของทรัพย์สิสนเป็นเจ้าข อ, ของสมบัติที่ในสร้างผู้มบริการก็รับใช้ก็ให้ส่วนแบ่งให้เงินเดือนให้รายได้อะไรงี้ไปจนกระทั่ง ทำได้มากกว้างขวางขึ้นกับเป็นนักบริหารมีกลุ่มหมู่มีคณะมีโรงงานมีกิจการกว้างขวางใหญ่โตขึ้นมาก็ไม่ผลิตเองถ่ายทอดให้ผู้ที่รับช่วงไปผู้รับช่วงกับไปดูแลสืบสานกันต่อเป็นหัวหน้าขึ้นมาต่อผู้ผลิตเองเปลี่ยนตัวเปลี่ยนหน้าที่มาเป็นนักบริหารมาดูแลจัดแจงจัดการควบคุม ปรับระบบขึ้นมาเป็นนักบริหารก็ถ่ายทอดการผลิตให้แก่รุ่นต่อๆไปรับผิดชอบไปตัวเองก็ดูแลบริหารขึ้นมาในลักษณะของโลกีนักบริหารก็จะเป็นผู้ที่เป็นเจ้าเข้าเจ้าของขึ้นไปทดแทนนักผลิตอีกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นคน ร่ำรวยเป็นคนมีมากมีทั้งสิทธิมีทั้งอำนาจมีทั้งทรัพย์สินมากกว่าเขาหักส่วนแบ่งรายได้อะไรก็เป็นคนสั่งการถ้าเป็นของตัวเองเป็นธุรกิจส่วนตัวเลยก็แบ่งได้จัดการแบ่งให้คนนั้นคนนี้ใครจะมาอยู่ในโรงงานนี้อยู่ในบริษัทนี้ ก็จัดการแบ่งได้เองจัดตั้งได้เองแม้จะมีคณะกรรมการมีโนู่นโมีนี่ขึ้นมาก็มีสิทธิ์เสียงมากมีสิทธิ์เด็ดขาดเพราะสมัยนี้จะแบ่งกันเป็นหุ้นเป็นอะไรต อ, อะไรออกไปอีกกตามก็่จะก็เป็นคนมีหุ้นมากกว่าเขามีอำนาจมากกว่าเขาสิทธิในการที่จะแสดงความเห็นก็ดีกว่าเขาหมดเพราะนั้นก็สามารถที่จะ จัดการอะไรตไรได้เด็ดขาดหรือได้มากเนี่ยก็เป็นวิธีการมาแต่ไหนแต่ไรเดี๋ยวนี้ก็ยังทำอย่างนั้นอยู่จากนักผลิตขึ้นมาเป็นนักบริหารแล้วก็จากนักบางทีบางคนนักบริการเนี่ยเป็นผู้ช่วยก็ตามก็เรียนรู้การบริหารด้วยเรียนรู้การผลิตแล้วก็เรียนรู้การบริหารไปในที รอดบางคนนี่ก็ไม่เป็นนักผลิตเดียเด๋ยวนี้ไม่เป็นนักผลิตเท่าไหร่เป็นผู้ช่วยเป็นผู้บริการนี่เท่านั้นแหละจะแล้วก็ทำตนเป็นพัฒนาตนเองขึ้นมาเป็นนักบริหารขึ้นมาก็ได้มันก็เกิดภาวะของมนุษย์ขึ้นมาเป็นนักบริหารจนกระทั่งได้ตาแหน่งหน้าที่นักบริหารฐานะนักบริหารก็จะเป็นคนได้เงินมากได้รายได้มากได้อัตราการแบ่งส่วน หรือได้ค่าตัวสูงขึ้นไปนักเข้านักเข้าสมบัติต่างๆไปตกอยู่ที่นักบริหารหมดนักผลิตก็ตกต่าลงไปตกต่าลงไปนักบริการหรือผู้ช่วยนะดูในธรรมชาติของผู้ผู้รองเป็นคนชั้นรองอยู่แล้วนักผลิตเป็นผู้นํามาแต่เดิมก็กลายไปเป็นผู้รองไปอีก นักบริหารกลายเป็นผู้นำใหญ่ขึ้นมาในโลกถ้ามีคุณธรรมนักบริหารก็ควรจะมีคุณธรรมมากที่สุดนะเพราะงั้นก็เรียนรู้ศีลธรรมเรียนรู้คุณธรรมกันมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนักบริหารก็เป็นคนที่พัฒนาตนเองขึ้นไปเป็นเหมือนนักบวชเนี่ย หรือไปเป็นนักบวชเป็นคนที่เสียสละเป็นคนสร้างสรรค์เป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่มีจิตวิญญาณไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมากขึ้นมากขึ้นทานักผลิตที่ดีเป็นคนดีก็เสียสละมากเพราะฉะนั้นก็เอาเปรียบน้อยแบ่งแจกให้ผู้ดูแลบริหารปกครองอยู่นั่นน่ให้เขามาได้มากมากขึ้น เมื่อตัวเองมักน้อยเข้ามกน้อยเข้าปฏิบัติธรรมเข้าสูงเข้ามีระบบการปฏิบัติธรรมมีนักปราดมีนักบวชมีศาสดาอะไรเกิดขึ้นมาสร้างสรรค์ระบบของการาศาสนาขึ้นมาเมื่อเรียนรู้าศาสนาได้มากนักผลิตก็กลายไปเป็นนักบวชเบื่อนายกลายเห็นความจริงที่ลึกซึ้งสะสมกรอบโกยเอาเปลือกอารัตก็อเถานั้นอะไรเป็นต้นก็กลายไปเป็นนักบวช ที่แท้จริงเพราะงั้นก็เป็นคนที่มีความรู้เป็นนักบริหารนี่จะเป็นคนมีความรู้เป็นคนเข้าใจระบบของโลกของสังคมของมนุษยชาติสามารถที่จะรู้การผลิตรู้การบริการรู้การเป็นอยู่รวมกันรู้จักระบบระบอบสังคม เอไปเป็นนักบวชก็สามารถเป็นที่ปรึกษาได้เพราะว่าเป็นผู้ผ่านงานผ่านการจากนักผลิตนักบริการนักบริหารขึ้นไปเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชที่มีความรู้เรื่องสังคมมากและเป็นความจริงในเริ่มตน้ตนมนุษย์ที่เป็นผู้ที่เกิดขึ้นเป็นแบบนี้เนี่ยก็เป็นมนุษย์จริงๆไม่ได้หลอกได้ลวง เกิดไปเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชที่แท้เป็นผู้ไม่โลโมโทสันและไม่ได้อยากได้ทัพย์สินคารลาบยศสันเสริญโลกียสุขแบบโลกีโลกีก็ไม่เอาก็ไปเป็นนักบวชโล ก, กุตระเป็นโล ก, กุตระบุคคลเป็นอารยชนที่แท้ก็ได้รับความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาหรือเป็นที่ปรึกษานี่มันเกิดจากธรรมชาติอย่างนี้ ตอนหลังๆมาวิธีการของนักบวชไม่ต้องเป็นนักผลิตบวชเลยก็ได้ไม่ต้องเป็นนักบริการบวชเลยก็ได้ไม่ต้องเป็นนักบริหารบวชเลยก็ได้นักบวชก็เลยปลอมลงปลอมลงไปไม่คยจริงกลายเป็นนักบวชมีคนมากราบไหว้มีคนมาเอามาให้กินให้ใช้เพราะคนไหนมีจิตไม่คีโลบมากไม่มักมากไม่สะสมไม่ต้องการอะไร มีไม่มากนักก็ได้นักบวชสมัยก่อนก็เลยไม่ค่อยมีเท่าไหร่หรอกแต่ก็พออยู่ก็รกินไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องไปทำงานทำการอะไรมากอธิบายแนะนำเรียนรู้อะไรอะไรมานิดหน่อยแล้วก็อธิบายสู่เขาฟังก็เป็นนักบวช ท, ที่มีอาชีพชนิดหนึ่งไปแต่ผู้ที่เรียนรู้ตามระบบของการบวชศาสนาที่มีการเรียนรู้ฝึกฝนปฏิบัติตนสูงล้างกิเลส พัฒนาการขึ้นไปเป็นอารียชนได้จริงก็มีก็เลยมีซับซ้อนนักบวชก็ซับซ้อนนักบริหารกับทุกคนก็อยากจะไปเป็นปนักบริหารถ้าเป็นคราวาสก็อยากไปเป็นนักบริหารขึ้นไปเป็นใหญ่เป็นโตขึ้นไปร่ำไปรวยขึ้นไปเป็นฐานะมีตำแหน่งยศศักดิ์แล้วก็ไปทำการทำงานบริหารรู้ว่าบริหารเนี่ยเพื่อผู้อื่น เกื้อกูลผู้อื่นได้ดีดดมีความฉเฉลียวฉลาดมีความสามารถแนะนําบอกกล่าวหรือตัดสินความฉเฉลียวฉลาดจัดแจงระ ง, งับความะทะเลาะวิวาทความขัดแย้งหรือให้ความรู้ในสิ่งที่ขัดข้องอะไรได้ก็พยายามเป็นคนชนิดนั้นนักบริหารจะต้องรู้จะต้องสามารถไม่ต้องลงมือทำ ก็เลยกลายเป็นระบบซับซ้อนคนก็อยากจะเรียนขึ้นไปเป็นนักบริหารกันเร็วเกิดการเร่าเรียนศึกษาทางลัฐมีวิชาการทางลัฐไม่ต้องผ่านการผลิตไม่ต้องการ ผ, ผ่านการรับใช้ฝึกฝนเป็นลุกมือไปก่อนจนกระทั่งไปเป็นเจ้าจกไปเป็นผู้ที่เป็นเองผลิตใต้เก่งสับมีสมรรถนะเองไม่ต้องผ่านเรียนรู้ไปเป็นนักบริหารเลย มีหลายทางเป็นนักบริหารในทางใช้กำลังนักบริหารในทางใช้อำนาจนักบริหารในทางาทำธุรกิจนักบริหารในทางใช้ความรู้เป็นนักรู้ก็เลยเกิดเป็นทั้งสภาพของผู้ใช้กำลังก็คือลัลกษณะทหารผู้ใช้ บริหารทรัพย์สินทางธุรกิจก็ไปในทางทางธุรกิจผู้บริหารในทางใช้ความรู้ก็ไปเป็นนักวิชาการพวกนี้ก็เกิดสภาพพวกนี้ขึ้นมาในโลกในสังคมและก็ยอมรับกันเกิดความรู้เกิดวิธีการเป็นอยู่ของมนุษย์หลากหลายในมนุษย์มันก็ยังมีโล ก, กุตระมีความจริงของมนุษย์ ที่เป็นมนุษย์มักน้อยสนโดด ม, มนุษย์ไม่ต้องมีมากมนุษย์วันณะเก้าอย่างที่พระเจ้าท่านตรัสไว้เป็นแบบแผนมนุษย์วันละเดอะคลาสสิสเดอะคลาสเเป็นมนุษย์ชั้นสูงเดอะคลาสเซสไม่ใช่คนชั้นชั้นทั่วไปไม่ใช่คนราศียาแต่เป็นคนหัวกะทิเป็นคนชั้นสูง The classes มีจำนวนน้อยเป็นคนมีคุณธรรมเป็นคนมีบุญจริงมีบารมีจริงเป็นคนจริงเป็นคนที่ได้สั่งสมวิบากสั่งสมกรรมวิบากสั่งสมความเป็นจริงของสัจจะที่ตนเองฝึกฝนเรียนรู้ฝึกไปในจิตวิญญาณ เป็นคนเกิดภูมิปัญญาเกิดรู้ว่าโอ้ชีวิตเรามันไม่ต้องไปมีมากมันเป็นคนไม่ต้องอยากเป็นคนง่ายๆกินง่า ย, ยไปใช้มักง่ายนะในเงื่อนไขทั้งหมด9้าข้อนี่สัมพันธ์กันหมดไม่ใช่ไปตัดเอาส่วนใดส่วนหนึ่งมาไอคนขยันในยอดแล้วเป็นข้อที่กาวิวริยารำพะต้องเป็นคนขยันมันเพียนไม่ใช่มักง่าย เป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นคนได้ฝึกฝนสร้างสรรค์ขยันเพียรแต่เป็นคนไม่ต้องเป็นมีเรื่องมากวุ่นวายมากเนี่ยกินก็อยากอยู่ก็อยากไปยากมายากทำไม่นอนนี่ ย, ยากเจ้ากี่เจ้าการเจ้าจุกเจ้าจิกอะไรกันแล้วแต่ก็ไม่เข้าใจจิตใจคนเข้าใจมนุษยชาติมีน้าใจ รู้จักผ่อนสั้นผ่อนยาวรู้จักบริหารเป็นคนมีความรู้ความสามารถแต่เป็นคนมักน้อยสันโดษนะเป็นคนเลี้ยงง่ายบำ ร, รุงง่ายเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดบำ ร, รุงง่ายนี่เฉลียวฉลาดเลี้ยงง่ายก็คือเป็นคนไม่วุนไม่วายไม่ยึดไม่ถือมากเป็นคนบำ ร, รุงง่ายกับเป็นคนที่ฉเฉลียวฉลาดเป็นคนที่ชำนิชำนาน สามารถที่จะเรียนรู้ฝึกฝนอบรมตนพัฒนาได้ดีนะในกาลนาเร็วเดวะสุปโปสศศเป็นคนมากน้อยเป็นคนกล้าจนเป็นคนเข้าใจแล้วชีวิตไม่ต้องไปโลภโมโทสันอะไรมามีน้อยๆเนี่ยเราใช้ได้หรือไม่ต้องมีเลยจกระตั้งรู้จักระบบว่า เ, ออเรายองไม่ต้องไปยึดถือว่าเราจงมีเลยนะ มันต้องมีเป็นของตัวของตนเลยนี่ก็ระบบเป็นวิธีการของมนุษย์ที่ทนได้สูงสุดเลยพอกินอยู่รู้จักความพอกินเท่านี้ใช้เท่านี้มีเท่านี้ได้เท่านี้พอไม่ไม่ต้องได้มากได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นก็เป็นคนที่มาเรียนรู้ขัดเกลาตนเองปรับปรุงตนเองมีหลักเกณฑ์ละเอียด สูงขึ้นเป็นทูตามีหลักเกณฑ์พัฒนาตนมีหลักเกณฑ์อะไรอะไรที่จะพัฒนาทั้งในด้านจิติ ญ, ญาณทั้งในด้านกายภาพก็สามารถพัฒนาตนเองขึ้นมาได้จนเป็นคนมีอาการอาการที่น่าเลื่อมใสมีชีวิตากายกรรมวจิกรร ม, มนโนกรรมหรือเป็นผู้ที่มีพฤติกรรมอย่างน่าเลื่อมใสปัสสาวะทิโกปาสาธิกะและเป็นคนไม่ต้องสะสม รู้จักความเป็นชีวิตอย่างดีอปัจจยยไม่ต้องสะสมเป็นของตัวของตนมีระบบวิธีในการบริหารระบบวิธีของสังคมเป็นระบอบเข้าใจสภาพของสังคมของโลกก็กลายเป็นผู้ที่บริหารช่วยบริหารหรือจะไปเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชที่เป็นที่ปรึกษาเลย ได้รับความยอมรับเป็นที่ปรึกษาจะเรียนรู้จะถ่ายทอดจะให้คำแนะนำใดๆ ไ, ได้ดีเป็นคนข ย, ยันความข ย, ยันของคนเนี่ยมันเกิดจากจิตวิญญาณที่เกิดปัญญากับเจโตเจโตที่มันมีกิเลสเห็นแกนตัวเห็นแก่อยู่บางๆเปล่าๆ ใครก็รู้ว่าอยู่ว่างๆเปล่าๆมันเบาถ้าทำงานมันก็หนักใครก็รู้ง่งานแต่ผู้ที่ฝึกฝนตนเองแล้วเข้าใจความเป็นชีวิตว่าชีวิตจะอยู่อย่างเบาเบาง่ายๆขี้เกียจมันก็ไปสู่ตายจะขยันมันเพียงมันก็ไปสู่ตายจะขยันบ้างขี้เกียจบ้างมันก็ไปสู่ตาย เพราะฉะนั้นคำตอบที่พระพุทธเจ้าท่านเคยตอบเคยตอบเทวดาใครรู้ไหมนี่ว่าอาตมาจะพูดบทไหนเนะนะคืออาตมาหยิบมาจากคำสอนคำตรัสของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาใช้ให้พวกเราได้รู้ให้มาใหเพาะเราได้ศึกษาแล้วก็ให้พิสูจน์ความจริง เพราะคนเรานี่ยจะขี้เกียจกอดตายจะไม่จะขยันกอดตายขยันมากกอดตายขยันน้อยกอดตายขยันบังขี้เกียจบังกอดตายเพราะนั้นเราก็ขยันเต็มที่เท่าที่เราจะสามารถขยันเต็มที่ภาคเพียรเต็มที่พระพุทธเจ้าถึงได้ตรัสตอบเทวดาว่าสูงสุดในความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่า ท่านใช้คําว่าข้ามอกขะสงสารหมายความวป็ผู้พ้นฝั่งข้ามอกขะสงสารของโลกีอกขะสงสารนี่คือโลกีใครที่จะพ้นโลกีไปได้สุดแล้วเป็นจำนว น, นก็ถามก็ถา ม, ถ, ามถามจริงๆมันก็หมายความว่าใครที่จะบรรลุสูงสุดหรือจะใช้ศัพท์ตรงๆของศาสนาพูธเลยก็ใครจะถึงนิพพานนะคนที่มันถึงนิพพานแล้วเนี่ย มันเป็นคนยังไงจะทำยังไงพระพุทธเจ้าก็เอา แต่ก็สั่นแฝงรวยโดยเฉพาะเรื่องคู่มันเกี่ยวข้องกับบคุคคลก็อย่าไปมีคู่คนเท่านั้นแหละรักษาอย่าไปมีเรื่องผู้หญิงผู้ชายเป็นนักบวชที่ไม่มีเรื่องผู้หญิงผู้ชายเรื่องเงินเรื่องทองเขาไม่ถือเท่าไหร่ <c oughs> ก็กลายเป็นนักบวชที่ได้รับความเคารพนับถือได้ง่ายไม่ต้องเกี่ยวข้องเรื่งผู้หญิงเท่านั้นแหละเป็นนักบวชชายก็เอาละนักบวชหญิงเราไม่มีในประเทศไทยเราเนี่ย ไม่ได้รับนักบวชหญิงมาก็เลยไม่ไม่ก็ไม่ค่อยได้มีเอานักบวชชายก็เอาไม่ต้องไปเกี่ยวข้องหนึ่งผู้หญิงให้ได้ส่วนเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องทรัพย์สริงคารไม่ต้องพูดเลยหนักเข้ารวยไม่ต้องไปบอกใครนี่บางคนไม่บอกใส่ห้องไว้นะเขาเปิดห้องก็ม า, อาโอหทลายออกมาเลยใส่ห้องไว้ธนบัตรเคยได้ยินไหมเออเปิดประตูห้องทลายลงมาเลยนะ ธนบัตรเหรียญโครมคลืนลงมาเลยเนี่ยตายจากไปแล้ว อ, อันนี้ก็แวะแวะพูดบอกอะไระอะไรไปบ้างนิดหน่อยมาเข้าเรื่องว่าการบริหารปกรครองหรือการเป็นอยู่ในฐานะมนุษย์สี่สภาพเนี่ยนักผลิตนักบริการนักบริหารนักบวชเนี่ย จริงๆแล้วนี่นักบวชคือบุคคลสุดยอดบุคคลสุดยอดเราได้สั่งสมบุญบา ร, รมีมาถ้าผู้ใดได้สั่งสมบุญบา ร, รมีมาจริงพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้กรรมวิบากมนุษย์นิมีกรรมวิบากเป็นซับเป็นสิ่งที่จะอุดหนุนจุนเจือเป็นพลวะปัจจัยของชีวิตเพราะนั้นสั่งสมวิบากเรียนรู้ฝึกฝน ที่เป็นสัจธรรมเมื่อแนวของพุทธก็สะสมอย่างแนวพุทธศี ส, สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุติยานทศนะแบบพุทธเพราะฉะนั้นหลักคำสอนของพเจ้ากราทวัตถุสิทธิออภิชาสันตุทีปวิเวกัสังสักขข ะ, ขขะวิรยิรยารมภะ นั่นเป็นคาถาวัตถุห้าส่วนอีกห้าก็ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะอีกห้านีน่คาถาวัตถุสิทธิคถาแปลว่าคำพูดเพราะฉะนั้นหลักการของาศาสนาพระพุทธเจ้านั้นใครจะพูดอะไรออกมากันแล้วแต่ ถ้าพูดออกมาแล้วเข้าหลักสิบข้อเนี่ยนั่นแหละศาสนาพุทธพูดออกมาก็ทำให้คนมักน้อยจะพูดออกมายังไงกันแนะนำกันบอกกันสอนกันนำพากันหรือเป็นคนที่มักน้อยเอาหลักพวกนี้มาจับได้เลยโอ้คนคนนี้นี่เป็นคนมักน้อยนั่นละคนเจริญอปิฉะสันตุธิคนสันโดษคนพอคนไม่โลภโมโทสันคนมีสมรตคนรู้จักพอ น้อยๆก็พอไม่หยั่งไม่ชิงมีแต่เกื้อกูลป่าวิเวกะเป็นคนสงบสงบกายสงบจิตสงบกิเลสวิเวกเนี่ยมีเวกสวิเวกะหรือวิเวกคนที่ครบวิเวกปวิเวกะก็คือวิเวกสกายวิเวกจิตวิเวกอุปเทควิเวกวิเวกสสงบกายสงบใจสงบกิเลสอุปเิควิเวกกะคือกิเลส อุปธิก็คือกิเลสสงบกิเลสสงบกายใจสงบคําว่าสงบนี่มันรวมไม่ใช่สงบคือหยุดนิ่งไม่ใช่เป็นคนที่ทําอะไรไม่เกิดเรื่องสงบคือไม่เกิดเรื่องมีแต่ความเจริญคนสงบมีความเจริญคนสงบสร้างสรรค์แต่ไม่เกิดเรื่อง กายกรรมไม่เกิดเรื่องกายกรรมก็มีแต่สร้างสรรค์เรียบร้อยพัฒนาเจริญ ง, งอกงามรุ่งเรืองไพบูร์กายกรรมจิตจิตก็มีจิตสงบที่รุ่งมีแต่จิตไม่หาเรื่องมีแต่จิตสงบมีแต่จิตดีน้ำใจดีจิตสงบกิเลสสงบก็ไม่ต้องพูดกิเลสตายสนิทเลยอุปเิวิเบปวิเวกะอสังสัคะ อตามาแปลอสังสักขะว่าไม่หลงสวรรค์ไม่หลงสวรรค์เขาแปลว่าไม่คลุกครีด้วยหมู่คณะอัตามาว่ามันแปลเอียงไปทางฤาษีไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะที่จริงสักขะมันก็บอกกองอยู่แล้วแปลว่าสวรรค์สังสักขะก็คือมีสวรรค์หรือประกอบสวรรค์อสังสักขะก็คือไม่ประกอบสวรรค์ เป็นพยัญชนะหรือเป็นอัฐะที่สมบูรณ์ไม่หลงสวรรค์ไม่ไปติดสวรรค์ไม่ไปประกอบสวรรค์บางคนที่เป็นอรหันต์แล้วไม่หลงสวรรค์ไม่ติดสวรรค์ไม่สร้างสวรรค์มเาเสร็จอสังสักขะวิริยรำพระก็ยอดขยันซึ่งเป็นยาดำของมนุษย์เพราะนั่นหลักธรรมของพระเจ้าหลักสำคัญสำคัญจะต้องมีวิริยะอยู่ทุกตัว ในหมวดธรรมที่สำคัญจะมีวิริยะขยันมันเพียนวิริยะอุตสาหะอยู่ทั้งนั้นเพราะคนเราขาดความวิริยะอุสาหะไม่ได้มันเป็นพลังสร้างสรรค์เป็นพลังที่จะต้องอย่างน้อยตัวเองก็พึ่งตัวเองด้วยพลังขยันไม่งั้นมันก็ตายงอมืองอเท้าขี้เกียจขี้ครา้านจะไปพออยู่พอกินอะไรหนักข้าวขี้เกียจจะเอาข้าวเข้าปากแล้วมันก็ตายเท่านั้นแหละหนักข้าวขี้เกียจเคี้ยวอ่า แต่สมัยนี้ไม่เคี้ยวยัดท่อเลยสูบเข้าไปในท่อเลยเดี๋ยวนี้ขี้เกียจเคียวก็ได้อยากจะเอ า, อานั้นก็เอาสิเพราะนัะ้นมันหลักเกณฑ์ต่างๆของพระพุทธเจ้าพอสร้างหลักเกณฑ์ขึ้นมาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สั่งสมความรู้แต่ละชาติแต่ละชาติแต่ละชาติแล้วก็รวบรวมเป็นพระพุทธเจ้าก็คือเจ้าตํำรับเจ้าความรู้ทุกอย่าง ที่เหมาะสมกับมนุษย์เหมาะสมกับสังคมเพราะฉะนั้นเป็นพระพุทธเจ้าก็คือนักรัฐศาสตร์สุดยอดนักเศรษฐศาสตร์สุดยอดนักสังคมศาสตร์สุดยอดเพราะท่านสั่งสมมาไม่รู้กี่ชาติต่อกกี่ชาติกี่ชาติเป็นผู้บริหารเป็นผู้ผลิตเป็นผู้บริการเป็นนักบวชเป็นมากี่ชาติตอกกี่ชาติกี่ชาติในสีฐานะสี่สภาพพวกนี้เป็นมาเรียนรู้อย่างทุกอย่างอย่างชัดเจนแล้วก็สั่งสมลงเป็นพระลิ เพราะว่าปัจจัยเป็นวิบากของตนเองทุกคนก็ผ่านสิ่งเหล่านี้มาน้อยน้อยมากๆ ก, ก็แล้วแต่แล้วก็สร้างอะไรเป็นกุศลเป็นอกุศลซับซ้อนอยู่ก็เกิดการสังเคราะห์ให้แก่แต่ละคนแต่ละค น, ะคนวิบากของแต่ละคนก็เกิดการสังเคราะห์ขึ้นมาแล้วก็ให้เรามาใช้แต่ละชาติแต่ละชาติแล้วมันก็ละเอียดละออเป็นอจินไต่กรรมวิบาสละเอียดละออที่มันสั่งสมกรองมา ให้เราพัฒนาตอนนี้ให้มาเท่านี้ตอนนี้ให้มาเท่านี้อย่างได้สัดส่วนบริสุทธิ์ซื่อสัตย์ไม่มีโกงสัจจะไม่มีโกงสัจจะจัดสรรเองตามเราไม่รู้ถึงเรียกว่าอาจินไตยไม่สามารถเป็นร่วงรู้แต่จัดสรรอย่างได้สัดส่วนไม่มีการโกงไม่มีไม่มีอะไรมาเบี้ยวไม่มีอะไรมาเขารับชันอะไรตรงไหนบริสุทธิ์สะอาด แ, แต่ละคนก็จะได้สัดส่วนเหล่านี้มายินดีให้พิสูจน์ท่าทายให้พิสูจน์พิสูจน์กรรมวิบากนี่เถอะเพราะเราทําสิ่งที่ดีไปทั้งนอกทั้งในทําสิ่งที่ดีไปเป็นอะไรตัวไรเพราะว่าเราตกชีวิตนี้มันเกิดมานี่มันจะมาตกอยู่ในฐานะไหนแต่ละคนแต่ละคนจะตกในฐานะนักผลิตก็ผลิตไปเถอะผลิตให้ดีมันก็สั่งสมวิบากกุศลได้เป็นนักบริการ เป็นผู้ช่วยไม่มีลักษณะผู้นำเป็นลักษณะผู้ช่วยผู้รับที่จะให้ผู้นำสั่งการหรือผู้นำอบอกให้เป็นไปทำทำได้อย่างนี้เป็นผู้ทำตามที่ดีก็ได้มันก็เป็นกุศลเหมือนกันชำนาญเหมือนกันเกิดการสร้างสรรค์ที่ดีได้เหมือนกันนักผลิตก็ตามนักบริการก็ตามก็จะเรียนรู้การบริหาร เรียนรู้การบริหารเรียนรู้การที่จะถ่ายทอดเรียนรู้การที่จะดูแลแว่าถ่ายทอดผิดถูกจะช่วยกันทำช่วยกันร่วมมือร่วมไม้งานการหลายๆแผ น, แนกหลายๆหลายอย่างหลายๆฐานะหลายๆเรื่องหลายๆวิชาการก็เข้าใจประสานประสาก น, สนกันสัมพันธ์กันอะไรๆกันอยู่รวมกันเป็นนักบริหารก็เรียนรู้กันไปตามลาดับบางคนค่อนข้างจะอยากจะเป็นนักบริหารก็ ตัวเองก็จะออกไปในทางเชิงนั้นมากบางคนถึงจะเป็นนักบริหารกับบริหารอย่างที่ไม่ต้องเป็นทำอะไรมากหรอกไม่ต้องเป็นนักออกโรโดเดๆ์อะไรมากมันก็เป็นแล้วแต่จะสร้างอารมณ์สร้างความปรารถนาต้องการของแต่ละคนสรุปแล้วฝึกฝนเรียนรู้กันไปแต่ละชาติแต่ละชาติไปหมดก็ไม่มีอะไรมากยิ่งเป็นคุณธรรมหรือเป็นสัจธรรมที่แท้ ในความเป็นคนรวบยอดไว้ในฐานะนักบวชเนี่ยนในความเป็นคนก็ยิ่งเรียนรู้สามอย่างนี้แหละแต่ไม่ใช้สามอย่างนี้แหละเอามาเป็นอำนาจเอามาเป็นความร่ารวยไม่เอาเพราะเจ้าจะเป็นนักผลิตก็ผลิต ได้มากได้มาก็ ไ, ม, กกไม่เอาไม่ราไม่รวยไม่ต้องเป็นของตัวของตนผลิตแล้วเราก็อาศัยกินอาศัยใช้แั่นเราก็ปฏิบัติตนเป็นคนอย่าไปปลืองไปแพรานอย่าไปหลงโลกหลอกกินก็มากใช้ก็มากไหมเอากินก็ให้มันพอเหมาะใช้ก็พอเหมาะสร้างสรรค์มากๆขึ้นก็นแล้วกันก็อับปิดฉะมากน้อยได้ก็ยิ่งสร้างสรรค์ได้มากให้คนอื่นไปได้มากๆตัวเองเอาไว้น้อยน้อยเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นคนมักน้อยเท่านั้นเป็นคนกล้าจนให้คนอื่นไปมากยิ่งสร้างได้มากได้ไมาก็ยิ่งให้คนอื่นได้มากตัวเองเอาน้อยลงเพราะเราเกองไม่เปลืองไม่ผลานจัดสรรตัวเองให้เป็นคนที่ใช้สอยได น, น้อยประณีตประหยัดมัธยั ต, ทยติที่จริงคําว่ามัธยัตนี้มาจากรากศัพท์คําว่ามัดมัธยะ มัธยมกลางมุือมัชชิมะปานกลางแต่เน้นมาทางน้อยๆเพราะฉะนั้นข่าวความเป็นกลางเนี่ยจะปฏิบัติมีทิศทางมาสู่ความมาักน้อยความเป็นกลางจะโน้มเน้นมาหามักน้อยเป็นหลักธรรมสำคัญความเป็นกลางจะไม่โน้มเน้นไปทางมากมาก ถ้าความเป็นกลางนีโน้มเน้นไปหาความมากๆานั้นผิดแล้วมนุษย์จําไว้แต่ถ้าความเป็นกลางนีโน้มเน้นมาหาความมากน้อยถูกต้องเพราะเป็นทิศทางปฏิบัติและสุดท้ายเราจะรู้จุดสุดยอดอ่ามันพอแล้วอปิชฉะแล้วไปสุดท้ายมันพอแล้วสันติทิแล้วพอแล้วมันจะรู้ตัวเออมันน้อยน้อยสุดแล้ว อ, อ่า น้อยสุดแล้วเราต้องอาศัยเท่านี้แหละน้อยกว่านี้เราไม่พอพลังงานไม่พอร่างกายไม่พอดีการใช้สอยไม่พอดีมันน้อยไปเราจะรู้เพราะฉะนั้นจุดสุดยอดของคนเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยตรัสาสาวกสาวกสังข์คนหริกษุทั้งหลาย บางคนก็กินมากกว่าเราบางคนกินน้อยกว่าเราเรายังกินมากกับภิกษุบางรูปเพราะงั้นไม่เท่ากันของใครก็ของใครกินน้อยใช้น้อยไม่เท่ากันความพอเหมาะพอดีไม่เท่ากันเพราะอันนี้เราอย่าไปเพ่งโทษกัน คนที่รู้ตัวเองศึกษาจิตอินยางของตัวเองนะโอ้เป็นคนจะไปสร้างจิตของตนมากๆทําไมให้มันน้อยลงจงกระทั่งมันรู้สักว่ารู้สึกแล้วรู้แล้วอะเออเท่านี้แนหะมันพอเท่านี้แหละมันก็จะกําหนดตัวเองมาทำมันน้อยลงไปลองดูน้อยอยังอาตมาฝึกสองวันกินมือหนึ่งอะไรเงี้ยโอ้มันน้อยไปมันรู้สึกว่าลําบากหลายอย่างก็ เ, ออเคยเล่าอะาตมาบวชใหม่ใหม บินธบาตสองวันบินทีไปบินชาวบ้านก็บอกว่าจําไม่ได้หรอกไม่รู้จะจำวันอังคารพุทธยังไงมันสลับกันสองวันทีมันไปแล้วมันจะเหลือไปว่ามันมีอาทิตย์หนึ่งเจ็วันใช่ไตอนนี้ไปวันจันทร์อังคารไม่ไปพุทธไปพระหัสไม่ไปศุกร์ไปศุกร์ไปเสาร์ไม่ไปอาทิตย์ไปอ้าวอาทิตย์ใหม่จันทร์ไม่ไปอังคารไปมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยเลยก็บอก ไม่รู้จะไปจําวันไหนอ่ะสองวันไปทีมันจําไม่ได้หรอกเป็นความลำบากเขาจะทำอาหารมาให้เราก็ไม่รู้จะจําวันอังคารจันทร์พุธศุกร์อะไรไม่ได้สองวันทีไปสองวันไปบินทีมันก็สลับไปเงี้ยไม่ได้แล้วเรากินแล้วก็สองวันทีมันก็มันก็พออยู่ได้แต่ว่ามันก็มันงันแหละเราว่าเอออยากเก่งกับพระเจ้าแล้วพระเจ้ายังฉั้นวันละมือ นี่เราจะเก่งพระพุทธเจ้ชาชันวันสองมื้อเลยเลิกเฮ้ยสองวันมื้อพูดผิดพูดถูกอ่าก็เลยเลิกอ่าเอาวันละมื้ออ่วันหนึ่งมื้อหนึ่งก็พอเหมาะสมควรตามพระพุทธเจ้าพอแล้วเนี่ยบ่นไปใหม่จริงๆอ่ตามาสองวันทีแล้วไปบิณรบาดสองวันทีเนี่ยแล้วชาวบ้านเขาก็ว่าเอาเฮ้ยจำไม่ได้อย่างที่ว่านี่นี่เป็นเรื่องจริงไหมจะเป็นเป็นเรื่องเอามาเล่าเล่นเรื่องจริง มันมันก็พริบความพอเหมาะพอดีมันก็เอาพอดี ข, ขนาดนั้นว่ากันไปนี่ก็ยกตัวอย่างประกอบให้ฟังคนเราเนี่ยถ้าบอว่าจริงใจมันน้อยได้น้อยสักนิดหนึ่งมันก็อยู่ได้แต่มันพอดีมันก็จะรู้ตัวเองเพราะฉะนั้นจะกินจะใช้จะอยู่เนี่ยเป็นคนได้ง่ายเป็นคนที่น้อยเป็นคนที่ถูกต้องหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเนีเรว่าเป็นคนลดความโลภลดความเห็นแกลตัวลดความเห็นแกลีดได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเราไม่อาศัย เราอาศัยเราใช้เพราะแต่ละคนแต่ละคนเมื่อมาเรียนรู้สัจธรรมวันนี้แล้วแล้วก็ฝึกฝนขึ้นมาตามหลักเกณฑ์ของพระเจ้าสรุปแล้วก็จะเป็นนักผลิตที่ดีเป็นนักบริการที่ดีเป็นนักบริหารที่ดีและเป็นนักบวชที่ดีได้นะถ้าจะอธิบายรายละเอียดเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรอะไรไปอีกโอ้มันก็จะอธิบายไปอีกมากมายนะอาตมาก็ขออธิบายรวมๆแล้วก็ยกตัวอย่างให้ฟังว่า เมื่อมนุษย์ปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้าแล้วแต่ละคนก็มีบารมีมาเดิมปฏิบัติดูง่ายเป็นนักผลิตก็ปฏิบัติผลิตได้ดีมีสมรรถนะดีและมีคุณค่าหรือมีลักษณะมีมีอะไรอ่ะมีบุคลิกมีบุคลิกเป็นนักผลิตแต่ก็มีบุคลิกเป็นนักบริหารในตัว หรือแม่บางคนเนี่ยมีความามีความไม่ไม่มกักมากมักใหญ่มากกลายเป็นนักบริหารเป็นคนอมตนไม่ไม่เป็นนักบริหารกลายเป็นคนทมตนะที่จริงบริหารได้แต่ไม่แสดงท่าทีบุคลิกออกมาก็มีแต่ก็เก่ง บริหารได้รู้เข้าใจก็มีบางคนไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เราแอคเป็นนักบริหารบริหารไปก็ล้มเหลวบางคนก็ทำตัวเป็นคนรับใช้เป็นนักบริการจะให้ไปทำหน้าที่บริหารบ้างก็ทำได้ไในหน้าที่ผลิตก็ผลิตเก่งแต่ชอบทำตนมักน้อยถ่อมตัวสันโดษมักน้อย แต่สันโดษมากน้อยไม่ใช่คนขี้เกียจไม่ใช่คนไม่สร้างสรรค์ไม่ใช่คนไม่ขยันไม่ใช่สันโดษมากน้อยของพุทธเนี่ยขยันสร้างสรรค์อุตสาห ะ, ะคนมากน้อยของของพุทธของพระพุทธเจ้า <Yeah. S 1> แต่เป็นคนถ่อมตนเป็นคนเสสละจริงๆมากน้อยก็สละออกไม่ต้องโลภโมโทสัน ท, ทําตนเองให้มีน้อยก็อดได้ทนได้ อยู่ได้ไม่วิวายไม่เป็นคนเรื่องมากเป็นคนเรื่องน้อยสงบส ง, งียมคุณลักษณะพวกนี้แต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเอาหลักทมของพระุทธเจ้าต่างๆเอาหลักใหญ่ๆอย่างหลักกระถาวัตถุสิบนี่ก็ตามหลักวันณะก้านี่ก็ตามหรือจะเอาหลักตรวจสอบธรรมวินัยโคตมีสูตรมาวัดก็คล้ายกัน โก็มีสูตรก็คล้ายกันหลักใหญ่ๆคล้ายกันซ้อนๆกัอยู่กับถาวัตถุสิบซ้อนซอนอยู่กับวันนักเก้านี่แหละโดยเฉพาะหลักมักน้อยสันโดษเป็นคนเลี้ยงง่ายซ้อนๆกันแต่ในคาถาวัตถุสิบคนเลี้ยงง่ายไม่มีเป็นคนมีศีลสมาธิปัญญามีมุตซึ่งเป็นหลักธรรมแท้ เมื่อเราได้เอาธรรมะของพระเจ้ามาพิสูจน์และคนพวกอย่างพวกเราเนี่ยเป็นคนที่มีบา ร, รมีบ้างมาแล้วคนไม่มีบา ร, รมีจริงๆมาอยู่กับพวกเรายากนะมาอยู่ยากนะเพราะว่าพวกเราเนี่ยอาตมาพาทำงานในระดับสูงมหาต่ำไม่ใช่ทำงานระดับต่ำไปหาสูงไม่ใช่เริ่มต้นเรียนกอไก่อันุบาลแล้วก็เยอะขึไปสูงไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้สอนไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้สร้างสังคมไม่ได้ทำระบบสังคมอย่างนั้นอาตมาทำระบบสังคมสร้างสังค ม, นน ม, งงคมชนิดทำสูงมหาต่ำทำสูงมหาต่ำอาตมาหานักบวชก่อนได้นักบวชแล้วก็ก็หาครว่าที่จะเป็นนักบริหารเป็นนักเป็นมีคุณธรรมในนักบวชมากๆแล้วก็ค่อยมาเป็นนักผลิตนักบริการทีหลัง ลึกออกไหมแล้วก็มันเป็นนักผลิตนักบริการทีหลังแล้วก็ค่อยขยายเพราะฉะนั้นเราจะเป็นนักผลิตก็ตามเป็นนักบริการก็ตามหรือเป็นนักบริหารก็ตามฐานะเท่ากันหมดในคุณงามความดีเพราะฉะนั้นเราจะไปทำหน้าที่บริการเข้าเปเป็นนักบริการก็เป็นนักบริการที่ดีไม่ต้องเรืองมากไม่ต้องมีปากมีเสียงมาก นักบริหารสั่งการมาก็สั่งไปจะให้ทำอะไรก็ทำนักผลิต ก, ก็ทานักบริการที่จะช่วยอ้าวใัน้เป็นผู้ช่วยองคน์นี้ตอนนี้เป็นสมพานตอนนี้เป็นรองสมพานอ๋อเป็นผู้ช่วยแล้วก็เป็นรองสมพานนะอย่าไปทำหน้าที่สมพานตอนนี้เขาให้เป็นรองสมพานแล้วก็ทำหน้าที่รองสมพานก็ไม่ประหลาดอะไรก็ทำงานช่วยกันไปฝึกฝนตนเองว่าตนเองยังไม่นั่งเป็นปีนไปป่ายไปขม่มไปขี่ไป ไปเหลื่อมเป็นล้ําอะไรเลยมันก็สงบดีมันก็เตรียบร้อยสามัคคีดีเพราะนั้นเรามาฝึกทั้งนั้นอ่ะตอให้เราเก่งแล้วก็มาฝึกเป็นคนรับใช้มันก็บดอัตตาลดมานะฝึกให้เป็นใครเก่งๆมาฝึกเป็นคนรับใช้มั่ง มันเป็นนักบริการเป็นเซอร์วอเป็นคนรับใช้อยากจะไปเป็นเอ็กเซคิวทีฟแจะเอา เ, เป็นนักบริหารใหญ่เป็นนักบริการมั่งหรือจะเป็นครีเอทีฟเป็นนักผลิตนักสร้างก็ ได้ทําให้มันถูกหน้าที่ท่านพุทธทาสท่านบอกว่าคนมีหน้าที่ทำหน้าที่ให้ถูกท่านชัดเจนเหมือนกันท่านพุทธทาสตรงนี้ท่านก็ชัดเจ น, นคนเราขึ้นมาทําหน้าที่แต่จะทําหน้าที่อะไรเราก็รู้จักหน้าที่ในฐานะที่เราอยู่กับสังคมกลุ่มนี้สังคมกลุ่มนี้ยกให้เราทําหน้าที่อะไรเราก็ทําหน้าที่นั้นให้ดีอย่าไปเหลื่อมไปล้ําอย่าไปละเมิด อ, อะไรมากเราจะได้ฝึกรดกิเลสเรา ไม่งั้นคนเรามันอยากใหญ่อยากโตอยากรูอยากเบ่งอยากอวดอยากโออะไรอย่างนี้แหละมันสามัญเราก็ทําไปทําตามหน้าที่ไม่น่าจะอวดก็ไม่ทําไปอวดอะไรไม่ต้องไบ่เบ่งอะไรทําได้ทําไปรับใช้ไปทําแล้วเขาว่าเราไม่ได้เป็นผู้ทําเขาจะฮุบเอางานเราไปก็ฉังเขาเถอะแต่กรรมมันเป็นของเราแล้วเราทําแล้วกรรมเป็นของเราแล้วแต่คนเนี่ยเอา งานของเราไปอวดไปอ้าไปโชว์ไปโกงก็ไม่เป็นไรเพราะกรรมมันโกงกันไม่ได้หรอกกรรมมันเสร็จไปแล้วตั้งแต่เราทำใช่ไหมมันจบไปในตัวของกรรมแล้วเพราะถ้าใครเข้าใจเรื่องกรรมแล้วชัดเจนในเรื่องกรรมทำกรรมที่เป็นวิบากกรรมที่สำแล้วทำแล้วก็คือกรรมที่ทำแล้วจบแล้วไม่ต้องปีนย่างไปชิงอะไรใครหรอกครจะอวดจ้างใครจะเอาไปเอาหน้า ไปเอาตำแหน่งก็สักไปเอาใหญ่เอาโตอะไรช่างเขาเถอะมันโกงแต่ถ้าเป็นกรรมที่เราทําเป็นสิ่งที่เราได้ทําแล้วจบอนทึกท่าเผื่อว่าให้ดีที่สุดแล้วคนที่เท่าใจแล้วและก็เป็นคนได้มีความรู้ความสามารถเป็นคนพัฒนาเป็นคนเจริญที่แท้จริงแล้วเป็นอริยะชนเป็นคนประเสริฐเป็นคนเจริญที่แท้แล้วเนี่ย อยู่รวมกันแล้วเนี่ยทุกคนทำหน้าที่อะไรก็ได้ถ้าเป็นคนที่เจริญเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถทำหน้าที่อะไรก็ได้ทำเป็นคนรับใช้ได้ให้เป็นคนดูแลผลิตเลยเป็นเจ้ากีิจการเลยเป็นครีเอทีฟเป็นเซอร์วิเป็นนักบริหารก็ได้ ทุกคนมีเลือดนักบวชมีวิญญาณ น, นักบวชมีคุณธรรมมีจริยธรรมเป็นแกนหลักของชีวิตเพราะฉะนั้นหน้าที่ของมนุษย์จริงๆก็สามหน้าที่นะบริหารบริการผลิตความเป็นนักบวชก็คือคุณธรรมสำคัญ เพราะในโลกจะต้องมีตัวอย่างนักบวชจริงๆไหมมีเลยทํารูปแบบทํารูปร่างเป็นต่างหากเป็นนักบวชเลยถ้าผู้ใดมีคุณธรรมจริงๆเลยผลิตก็เป็นรับใช้ก่อเป็นบริหารก่อเป็นไปเป็นนักบวชก็แนะนําได้และไม่ต้องไปแย่งไม่ต้องไปแย่งหน้าทีนักผลิตไม่ต้องไปแย่งหน้าที่นักบริการไม่ต้องไปแย่งหน้าที่นักบริหาร แต่รู้แนะนำได้เนี่ยเป็นคนมักน้อยสันโดดเป็นคนครบครันวันณะกา้าเนี่ยเป็นคน ง, ง่ายบำรุงง่ายชีวิตเนื่องโดยผู้อื่นแล้วเขาให้กินก็กินก็ไม่ให้กินก็อดไปแต่อาตมาไม่เชื่อเราว่าคนดีๆคนที่เจริญแล้วประสฐแล้วนี่จะอดตายคนจะไม่ให้กินมีแต่จะคืนกินก็ไปตามที่เขาให้ตาย พิสูจน์ไม่ต้องถึงขนาดอัตมาเขาได้ใช่ไหมถ้าขืนกินตามที่เขาให้นะ่ะล่ะตายไม่ใช่ว่าจะอดตายเขาไม่ให้กินแล้วตายไม่ม่มีเขาไม่ให้กินแล้วตายมี ม, ม, ม, ม, แ ม, มีแต่เขาให้กินแล้วกินตามที่เขาให้นะ่ะล่ะตายคือกินหมดเลยเขาให้มาเท่าไหร่กินหมดน่ะตายแน่มันเหลือเฟือเหลือเฟือจริงๆเพราะเจ้าจะเป็นคนเหลือเฟือ มีในตลกคนหนึ่งชื่อในเหลือเฟือไอ้คนนี้กับอาตมา ก, ก็ว่าเออไอคนนี้มันคิดยังไงมันเก่งมันเอาชื่อคําว่าเหลื้อเฟือไปตั้งชื่อเก่งนะคนนี้ตั้งชื่อเหลือเฟื อ, อ, อแสดงว่าคนนี้เนี่ยรู้ตัวดีว่าโอ้ฉันไม่จนหรอกฉัน ม, ม, มีมากพอเลยมีนิดเดียวก็เหลือเฟือแสดงว่าความพอเหลือเฟือใช่ไหมจะเป็นคนมากเกินเลื้อเฟือ เป็นคนสมบูรณ์ไม่มีน้อยมีอะไรมันเหลือเป็นคนพอนคุณธรรมชนิดนี้เนี่ยถ้าเผื่อว่าผู้ใดเข้าใจจริงๆแล้วก็เป็นคนจริงมาเป็นนักบวชก็เป็นนักบวชให้จริงลดละกิเลสมากน้อยสันโดษเป็นคนที่เลี้ยบ ง, ง่ายบำรุงง่ายได้จริงๆมากน้อยสันโดษจริงๆแล้วก็เป็นคนขัดเกลากิเลสตัวเองอย่าไปหลอกใคร มันมีกิเลสรู้จักกิเลสให้จริงละล้างให้ได้ให้เป็นอรหันต์ให้ได้ศีลมันจะเคร่งศีลมันจะสูงเองอย่างที่อาตมายกตัวอย่างพวกเราเนี่ยเอาศีลสิบมาจับเนี่ยในคนสาธารณะโภคีสังคมอย่างพวกเราเป็นนวัตกรรมเป็นสังคมใหม่สังคมแปลกเป็นสังคมที่ตัวอย่างของมนุษย์ทีเดียวในอนาคตเนี่ย จะเป็นตัวอย่างอันน่าเคารพบูชาเพราะเป็นคนมีวันณะก้าเป็นคนคลาสสิกเป็นมนุษย์คลาสสิกเป็นมนุษย์ชั้นสูงเป็นมนุษย์มันอยู่อย่างคลาสสิกเป็นคนยังไงเป็นคนจนที่รวยมนุษย์คลาสสิกเป็นคนที่ไม่มีสมบัติแต่สมบัติทั้งนั้นเป็นของเรา อย่างที่อาตมาถามเมื่อาวานนีาลานี้เป็นของใครไม่มีของใครของเรามีนสมบัติของเราเนี่ยแต่เราก็ไม่เอาเป็นของเรามันเป็นภาษาที่เข้าใจยากแต่เป็นจริงเพราะฉะนั้นใครจริงต่อไปในอนาคตเนี่ยกลุ่มนี้สังคมรีมาโศก มีเงินคงครังร้อยล้านนิมิตมาแล้วนะมีนิมิตมาแล้วนะมีเงินคงครังร้0ยล้านมีกิจกรรมธุรกิจใช้เงินร้อยล้านนี้สัพพัดหมุนทำงานอยู่มีทั้งแรงงานมีทั้งเครื่องมือเครื่องใช้มีทั้งประสิทธิภาพในการสร้างสรรในทุนรอนร้อยล้านสัพพัดอยู่ สร้างสรรไปแล้วก็เกิดผลผลิตการสร้างสรรที่มากมหาศาลทุกคนเป็นเจ้าของรอยลานและอสังหาริมทรัพย์ก็ตามทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนไม่เป็นเจ้าของนี่พูดภาษาไทยนะไม่ได้พูดเล่นพูดจริงด้วยจะเป็นจริงอย่างนี้อ ตายไม่ต้องทำมรดกไม่ต้องเขียนพินัยกรรมเพราะทุกคนไม่เป็นเจ้าของแต่ในความเป็นชีวิตอยู่เป็นเจ้าของแต่ใจนั้นมีมณสิกาลโยนิโสแล้วทำถึงรากเงาของจิตลงไปถึงที่เกิดโยนิโสแปล ว, ว่าถึงที่เกิดทำแล้วทำที่จิตมณสิที่จิตหรือในจิตมณสิกาลได้ทาจิตแล้วว่า เราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราทำได้แล้วจริงทำจิตของเราได้แล้วจริงว่าเราไม่ได้ยึดมั่นทรัพย์สินคารเงินร้อยล้านที่เราอยู่ในสีมาโศกนี่เราก็ดูแลแล้วก็ใช้งานแล้วก็ทำการเป็นตัวจักอยู่ในนี่เลยเป็นตัวจักจะเป็นนักบริหารจะเป็นนักบริการเป็นนักผลิตก็ตามใจแม้เป็นนักบวชก็ตามเงินร้อยล้านนี้เป็นของเรา แต่เราทำใจของเราแล้วว่าไม่ใช่ของเราเราไม่ได้ยึดมัน่นถือมัน่นไม่ได้สำคัญมัน่นหมายนะมัญติไม่ถือมัน่นเป็นเราไม่มีมะมังไม่มีมะมะไม่ได้เป็นเราเป็นของเราเราได้ทำใจในใจของเราสำเร็จแล้วจริงคนนั้นก็เป็นคนถึงที่สุดในชีวิตก็อยู่ในทีน่นี้ทำงานทำการบริหารทำการอะไรอยู่ในนี้เสร็จ ตายก็ไม่จะเป็นเจ้าเขา่าเจ้าของไม่ได้เป็นเป็นเจ้าของมรดกจะต้องทําพินัยกรรมให้ไม่ต้องตายก็ตายไปคนอื่น ก, ก็ก็รับช่วงไปโดยไม่ต้องไปทํามราดกมรดกไม่ต้องทําพินัยกรรมอะไรเลยทุกคนสบายแต่ทุกวันนี้ของเรากั้มกึ่งเราอยู่กับโลกสังคมต้องจดทะเบียนเนี่ย ถ้าเผื่อว่าชุมชนโสกเนี่ยชุมชนสีมาโศกจะต้องจดทะเบียนเป็นเนี่ยจะต้องมีหลักฐานทำเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเป็นนี่เป็นนี่มีอะไรสมบัติอะไรต้องทําแต่ถ้าเป็นชุมชนแบบธรรมชาติานี้ไม่ต้องจดเพราะงั้นก็แบ่งกันดูแลแบ่งกันทําอะไรอะไรไปเจ้าเข้าจ้าขอ ง, ของไปเพราะงัการทําการเงินดูแลการเงินสีมาโสกในข่าวว่ามันยังไม่ดีเท่าไหร่ เพราะผู้ทำงานการเงินเนี่ยเป็นคนข้างนอกไม่จะคนอยู่ในชุมชนไม่จะคนอยู่ข้างในนี้นี่ยังไม่ถูกให้ถูกต้องแล้วคนที่จะเป็นผู้ดูแลการเงิ น, นควรจะต้องศีลแปดและควรจะเป็นคนในชุมชนนั่นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่เอาละมันยังคนไม่พอ มันยังไม่มีสภาพที่เป็นไปได้สิ่งแปดยังไม่ได้และยังไม่อยู่ในวัดแต่ก็มีฐานะมีคุณสมบัติพอที่จะดูแลการเงินได้ไว้ใจกันได้และก็มีสมรรถนะพอเป็นไปก็อเอาไปก่อนแต่ถ้าให้ถูกต้องแล้วจะต้องเป็นคนในชุมชนเป็นคนในวัดข้างในที่รู้จักกันดีได้สิ่งแปดเป็นคนวัดเป็นคนสิ่งแปด นี่เป็นหลักเกณฑ์เป็นคนในชุมชนชุมชนศีลห้าไม่ถูกไงแล้วหลักเกณฑ์ศี8แปไงเป็นคนนั่นแหละหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องจะต้องเป็นอย่างนั้นนะแต่มันยังไม่เป็นเราะะอบอกแล้วอนุโลมไปก็ว่ากันไปก่อนเราเชื่อถือกันมีคุณสม สิ่งสังคมดีเราจะทันด้ส p e คมี่มีระบบสากลระดับโลกที่ดี r ้ไปคจดู ทีเป็นแกนสังคมที่ตายแล้วมันจะตัเหมือ น, น, นระโล ค, คนที่ป็นยังเป็นกนหลักของสังค ม, มมันจะเหมือนสมรีเนโฟมน มีสาขาการลทีนสักทสเท่าไร่ 10% ถึงสิถอดทอดสูงท่งสิสมมติว่าถ้าซีมาสง200และเป็นจุลุอิสรไม่รู้ลและก็มีคนอยู่ที่ยเป็นคนที่ไว้รับรายได้ลเลยสักาไรคั สูงขนแล้วเนี่ยจ n นวนสตา์ทีกคนถึสองพััน So we we'll get something. So. Good. Semak semasa cinta, k e t i k e m u s t i ciri p e r s a n i r i Ciri ciri yang siap l e b i i semasa cinta. Jangan t a k u แค่สมองยังติดเป็นฝุ e e เป็นสาทารและนาโพคีด้วย Ha, n i g h t เดี่ยวพอเปิดปุ๊บรีบปิดเลยเพระเจ้าหน้าที่ของ ถึงเวลาดีแล้วก็คุยกันไค่ทามพี่ๆกลุ่ย่อยที่เคลคุยกันไถ่ทางพี่ๆ สิปส ม, ามาถึงวันนี้ mm. เขาก็รู้สึกอย่างหน่เขาก็จะรู้สึกว่าเดูรจอโศดั บ, าา บ, ก, บก็บ อ, บ อ, บอางบาตมัดูดนะีแต่เขาก็ยังบอกอยู่ว่าบบ อ, บอเน ด, ดีนะ น, นี้อามาวานไนนี้ขนาดนี้จนกว่าเราจะบอกอโศกราบอกโอ้ดีจะเป็นไม่ได้โอ้แต่ถ้าแคนี้แล้ว อยนระาจะพยองระวังจะลงตัวตอนนั้นแต่อตอนนี้นเขายังขนาดนี้ก็ดีแล้วขนาดนดี้แล้วเราต้องเจียมตั ว, วสร้างสรรค์ใน้น้เนื้อนเปอามา จริ จริงๆเป็นของส่วนรวมถ้าสือจริงๆสืบได้เป็นของส่วนรวมเป็นของอะไรของสีมาโซนี่เป็น ไม่มีสิ มันใจแล้วก็เอาเลยอย่าเลืออีกต่อไปในอนาคตก็จะสาเงเมน์ประจำแต่ละทีแต่ละทีจะได้ไปจกกับเบาๆอย่ากเช่นคนไปย้ายมาตายและเผาทิ้งทันเลยแต่ถึงไม่มีเมย์เราก็เผาก็เป็นขก อ, องฟอนที่นี่คเคยเผามาแล้วจแล้วขอกอ ง, องฟอนจะตนองเผาไป